ก็ต่อไปถ้าว่าเรา <c oughs> ไม่ได้ใส่ใจจต่ปฏิบัติอย่างจริงจังแลาวจะไปนคนตกยุคแล้วคนยุคต่อไปนี่จะอยู่แค่ศีลธรรมจริยธรรมประเพณีไม่ได้ละเพราะว่าปัญหามันซับซ้อนยิ่งขึ้นคนสมัยก่อนสมัยโบราณเขาอยู่ด้วยศีลธรรมพัฒนธรรมมีความเชื่อในความดีของบรรพบุรุษ เขาก็พออยู่กันได้เพราะปัญหามันไม่เยอะนะแต่ทุกวันนี้ปัญหามันพัฒนาเป็นความซับซ้อนทางเทคโนโลยีต่างๆสิบปีย0สิปีก่อนเราไม่มีปัญหาเรื่องเกมเรื่องติดเกมติดโปรแกรมอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มันมี ปัญหาจะใช้มือถือใช่ u t u b e โปรแกรมรายการต่างๆมันมีทั้งดีและไม่ดีมาด้วยกันนะฮะอดีกับดีทีนี้คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อุปมศีนไม่ได้อุปนสมาธิไม่ได้อรมมุมอรมปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาที่จะเลือกใช้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกทาอันไหนไม่ถูกทำ มันก็เลยไปเข้าทางกิเลสเพราะในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมันจะเข้าทางกิเลสในสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะเข้าทางพุทธะทางปัญญาแต่คนไม่ได้ฝึกร้อยทั้งร้อยมันก็ไปทางกิเลสเพราะในสื่อต่างๆมันมาด้วยกันเหมือนกับว่าคนกินผลไม้คนที่ไม่ได้ฝึกฝน ก็จะกินทั้งเนื้อทั้งเปลือกแต่คนที่แล้วการฝึกฝนฉลา ด, ดิีแล้วก็เลือกกินแต่เนื้อไม่กินเปลือกเมื่อก่อนผลไม้ไทยหลายอย่างที่ฝรั่งไม่รู้จักแล้วฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยก็กินผลไม้ไทยเช่นลองกองลังสาก็กินทั้งลูกกินได้มาทั้งลูก ไม่ใช่แอปเปิลทั้งเฟืนทั้งขมฝาดก็กินมังคุดก็กินทั้งลูกเหมือนกันมืนกันด้วย ม, ามะม่วงกินไม่ได้กินฉันได้ก็ดีในสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นวล้อมของเรานะมันเป็นเหมือนผลไม้นั่นแหละเราต้องรู้จักว่าอันไหนเป็นเปลือกอันไหนเป็นแก่นไหนเป็นไนเป็นเนื้อรู้จักเลือกกิน ในโปรแกรมของต่างๆทีม่มาในมือถือดิมันมีทั้งธรรมะสํานักต่างๆในยูทูบมีทั้งหนังพุทธิเจา้ามีทั้งหนัง X หนัง R มีทั้งหนังละครทีวีมาได้หมดที่คนมีกิเลสมันก็ไม่เลือกเอาในสิ่งที่เป็นบวกมันจะไปเลือกสิ่งที่เป็นลบ เสร็จแล้วมันก็ทำให้ทํร้ายจิตใจคนไม่มีปัญญาคนที่ยังมีกิเลสเยอะอยู่ก็จะไปเลือกกินในสิ่งที่เป็นเปลือกอ่าเป็นไอ้นี่ของมันเป็นเม็ดของมันหรือเมื่อไม่เลือกกินทั้งหมดในที่สุดมันก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นคนก็ไม่มีปัญญาเป็นส่วนใหญ่มันถึงทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ แต่แม้แต่บางคนมีปัญญาแล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีธรรมะก็ก็หลิกไม่พ้นเหมือนกันบางทีปัญญาดีเนะี่ยมันหาความชั่วดีความชั่วขั้นละเอียดเสร็ตัวเองได้ง่ายนคนปัญญาที่ไม่เป็นปัญญาหลกุธตธละยิงหาความชั่วที่ละเอียดคนทั่วไปอาจจะมองเห็นบนความดีแต่ว่าสําหรับคนปฏิบัติธรรมเราถือเป็นความชั่วที่ละเอียดอ่อน เช่นรายการบันเทิงรายการตลกรายการเพลงรายการอินเตอร์เทนต่างๆมันดีสําหรับชาวบ้านแต่มันชั่วสําหรับพร ะ, ะนักปฏิบัติถ้าเราไปเลือกฟังเลือกใช้เราก็ทําชั่วโดยที่ไม่รู้ตัวแหละเพราะฉะนมันก็ไม่ถ้าเราไม่แยกคายเนีเรียกว่าปัญญาทางโลกมันไม่พอที่จะแยกว่าอะไรควรแก่ตัวเองอะไรไม่ควรแก่ตัวเองมีสําคัญ พระเลยเดียวเห็นพระแล้วหมดสภาพอะไรอ่ากวันจำวัดต่างๆน่าสมเพชเวทนานะกิจต่างๆที่พระควจะทำก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ขณะเดียวกันญาติโยมฉลาดขึ้นตรงนี้เขามีทุกข์มากญาติโยมมีทุกข์มากเขาต้องหาทางออกนะที่บางพวกก็ทางออกทางมิจฉาทิถีก็หนักไปเรื่อยๆหนัก ไปการเสพสุขสนุสนานกับกรรมคุณก็ออยิ่งหนักดูนั่งฟังเพลงแต่อีกพวกหนึ่งเป็นมีเชื้อของสมาธิทิก็หาทางออกโดยการฟังในสิ่งเป็นธรรมะการทำวัดศุนร์ลการฟังเทศนาต่างๆแล้วก็ไปวัดไปพบไปแสวงหาครูอาจารย์ที่เป็นสมาธิทิพ เขาก็คบทางเขาก็ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเขาก็เลือกแยกออกว่าอันไหนศาสนาอันไหนพุทธศาสนาอันไหนวัดตามประเพณีอันไหนวัดที่เป็นมิปัสนาอันไหนวัดที่สอนศีลธรรมอันไหนวัดที่สอนปมรมาธรรมเริ่มแยกออกแล้วคนมีการศึกษามากขึ้นมันก็แยกออกมากขึ้นใ น, นสุดเขาก็มองพระออกว่าพระอย่างไรเป็นพระ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอย่างไรปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบมันก็มองออกล่ะเขาก็เลือกที่จะทําบุญทำทานเลือกที่จะไปเคารพบูชาพระต่างๆไม่รู้ตัวไงพราะเสพสุขกับความสบายในวัดวัตถุต่างๆมาเองตามบุญกุศลของครูบาอาจารย์หรือตามุูของบนบนพระชาปนอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้สร้างสมมาให้เราเราก็ไปเสพเสเวย โดยที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติในที่สุดก็ต้องได้รับวิบากกรรมนะเสพสุขในะที่สุดก็ต้องอได้รับวิบากกรรมหนักนะายาวนานเลยทีเดียวเพราะญาโยมทําบาปนี่หมายความว่าได้เท่าเดียวเพราะต้องทําอาหากินเลี้ยงตัวเองแต่นักบุญนักปฏิบัติ ท, ทําบาปนี่ไม่ได้หลายเท่าเพราะว่าไม่ได้ทำอาหากินด้วยตัวเองต้องอาศัยเขาอยู่ถ้าทําบาปก็ได้ หนักไปหลายเท่าสวยกันไม่จบทุีดนะังนั้นเดีนี้เรามันมีผลเราจะมองข้ามไม่ได้เพวัะ น, นั้นจึงไม่อยากให้นักบวชและนักปฏิบัติเราขี้เกียจต้องขยันขยันปฏิบัติขยันทำกิจขยันทำวัดเชา้าทงวัดเย็นขยันทำความสะอาดปัดกว่าเช็ดถูรักษาความสะอาดรักษาเนาสนาสนะในวัดตรงไหนมันลุก มันเลี่ยราดอะไรไม่สาดไม่งามหูงามตาก็ไม่ต้องรอว่าใครจะสั่งให้ทําเราเห็นไม่ไม่งามแล้วก็เข้าไปทําเล ย, ยนั้นเรียกว่ารู้จักมีศีลเพราะการมีศีลนี่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องรักษาศีลอย่างเคร่งคัดเดี๋ยวนี้ปีปัญหาปัญหาที่พระเราไปอ่านพระวินัยเอาเคร่งคัดตามนั้นเปี้ยเลย ปรากฏว่ามีปัญหาแล้วเกิดแบบกินผลไม้ทั้งลูกอะ่ะมันก็เลยเกิดขมเกิดคืนไปเห็นใครที่ไม่ทำตามพระวินัยจำในหนังสือแล้วผิดหมดเป็นเป็ น, ปนอรารชีหมดตัวเองทำก็ทุกข์คนเดียวเพราะประถือวินัยแบบกินผลไม้ทั้งลูกอะ่ะไม่กล้าฆ่ามดฆ่าแมงไม่กล้าที่จะเหยียบ แม้กระทั่งแผ่นดินกลัวสัตว์ตายกลัวผิดศีลมดขึ้นก็ไม่ไล่ไม่กวาดกลัวจะผิดศีลแถมมีเมตตาสงสารอย่างโงๆ่ๆเอาอาหารเศษอาหารให้หมดกินมดก็ขึ้นลุมเต็มกุติเนี่ก็ได้กินผลไม้ทั้งเปลือมันเป็นโทษอย่างนั้นคำสอนพระุทธเจ้าคือผลไม้ทั้งเปลือกแต่ท่านต้องการให้คนปฏิบัติเนี่ยเกิดปัญญามารู้จักแกะแแแจะักไขจากกินน่ะ ถ้าเราอ่านรตำนั้นแราฟังรตำนั้นแล้วทุกวั น, นมันกรลบกันเพราะคำพีนี่แหละแยกเป็นฝักเป็นไ ฟ, เ ป, นฟเป็นลทัทธินิกายก็เพราะมัน ม, มีปัญญาอพระพุทธเจ้าท่านให้เลือกกินเลือกใช้คําสอนของท่านเหมือนผลไม้ที่มันหล่นมาท่านปลูกให้เนี่ยเห็นลูกผู้เรียนโตขอ้นมากินทั้งลูกก็ตายเห็นะมะขามมะละกอโตขอ้นมากินทั้งลูกปก็ตายเหมือนกัน เหมือนกันธรรมะหรือพระวินัยเนี่ยเป็นผลไม้ทั้งลูกเราจะต้องมาศึกษามาปฏิบัติให้สแสวงหาอาวุธสแสวงหามีดอะไรที่เราจะเจาะจะปลอกและสแสวงหากรยนานมิตรที่เราสวดกรยนานมิตรก็จะบอกเราวิธีกินนี่ต่อมาฝรั่งมันก็เริ่มฉลาดพอไป ซื้อแม่ค้าเห็นฝรั่งกินทั้งลูกมันหน้าเยเกยแม่ค้าบอกคุณกินไม่เป็นเราก็ปลอกให้กินมันก็ถึงรู้ว่าอ๋อที่กินมันกินตรงนี้เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านเหมือนกับแม่ค้าที่จะบอกเราว่าเออเนี้ยต้องกินแบบนี้นะบอกเราเรียกว่าการยาณมิตรทีนี้เราก็ไม่ใช่ว่าซื้อผลไม้จะให้แม่ค้าตามปอกใส่ปากทุกทีมันต้องซื้อไปกินเองตัวเองก็ต้องมีมีมีพ้าซิ้นมะพร้าวไปชิ้นทุเรียนไป ซื้อผลไม้ขนุนแตกฟักแฟงแต่งเต้าไปมันต้องใช้มีดใช้ผ้าออกเองผ่าเองทั้งนั้นนั้นเหมือนกันเราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาเหมือนอาวุธมีดผ้าว่าส่วนไหนคนกินส่วนไหนคนทิ้งส่วนไหนคนเก็บถ้าไม่มีปัญญามันเลือกไม่เป็นเลยเราก็จะบอกว่าธรรมะนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็พยายามกินขมอยากขมขืน แล้วไปเตัดตาหนิคนที่เขาไม่กินด้วยว่าเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนโง่เออมันเป็นอย่างนั้นทุกวันเนะียมาก็ดูแลสมเพทเวท น, นาเนีก็เลยหลายคนโดยเฉพาะผู้บทใหม่อ่านวินัยเยอะๆกไปติดสํานักวินยัยถูกเพ่งโทษนวดพุทธเจาท่านตัดว่าผู้มีวินัยตามตาําราแล้วไปเพ่งโทษคนอื่นอาสวะย่อมเจริญ ออกมานักทําบ่อยๆ อ, อาสวะกิเลสมันเพิ่มขึ้นน่ะปัญญาไม่ได้เพิ่มขึ้นถ้าถือศีลถือธรรมแล้วไปเพ่งโทษคนอื่นแล้วตัวเองดีคนเดียวอย่างเงี้ยนะคนอื่นผิดหมดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโทษฉะ น, นั้นเองก็ตามที่เราได้มาอยู่ด้วยกันเพื่ออาศัยสองอย่างนี้อาศัยครูบาอาจารย์เป็นกระยาหมิตรแนะนำในการกินกผาไม้ ได้อาศัยฝึกฝนตัวเองเพื่อฝึกฝนรับปัญญาให้คมเหมือนอาวุธคือมีดเพื่อที่จะไปอะปอกผลไม้ได้กินได้ถูกต้องมันก็สบายนะทีนี้ปัญหาและอุปสรรคที่มันมีทุวันก็คือคนมันไม่ได้ทำเหมือนกันคนมันต่างจิตต่างใจติดต่างจริตต่างนิสัยต่างบุญต่างกรรมต่างวิบาก มาอยู่ด้วยกันคนไหนมิบาดีมีบุญกุศลมีสติปัญญาดีก็ทําได้ดีฝ่าคนไหนมีวิบากกรรมปานกลางมีสติปัญญาปานกลางมีกุศลปานกลางก็ทําได้ดีปานกลางคนไหนที่มีกรรมวากมากมีบุญกุศลน้อยมีสติปัญญาน้อยมีการศึกษาน้อยก็ เข้าถึงความถูกต้องได้น้อยความผิดพลาดก็ยังมีมากบางคนไม่มีเลยบุญกุศลก็ไม่มีมสติปัญญาก็ไม่มีก็ผิดพลาดมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เราจะไปเลือกอยู่กับคนที่มีบุญกุศลด้วยกันแล้วก็ทิ้งคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีบุญกุศลเนี่ยมันก็จะปล่อยให้คนที่ผิดไปอยู่รวมกันคนที่ถูกมาอยู่รวมกันอย่างนี้หลวงพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สรรเสริญ และคนที่มีกุศลน้อยปัญญาน้อยจะพึ่งใครถ้าเราทิ้งเขาก็ต้องอยู่ร่วมกันท่านไม่แยกอยู่อยู่ร่วมกันให้คนมีสติปัญญาดีกว่ามีบุญกุศลดีกว่ามีการศึกษาดีกว่าเป็น ผ, นผู้เป็นพี่เลี้ยงดูแลอบรมอีกทีหนึง่งผู้น้อยที่มีสติปัญญาน้อยที่มีการศึกษาน้อยมีกุศลน้อยก็ต้องมีศรัทธามีความเพียรมีความเคารพ ตอบครูบาอาจารย์ต่อเพื่อนฝูงที่เขารู้ดีกว่าแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความรบเคารพมันก็ไม่มีที่พึ่งเลยเราไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพเพื่อนพิษสหายแล้วเราจะพึ่งใครเพราะตัวเองก็ปัญญาน้อยบุญน้อยอยู่แล้วก็ไม่มีที่พึ่งเพราะนั้นในสังคมฉันจึงไม่แยกให้อยู่แยกกันระหว่างคนรวยคนจน เพราะคนรวยก็ต้องดูแลคนจนแต่คนจนก็ต้องมีศรัทธามีความเคารพคนรวยเพื่จะเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือได้แม้แต่หน้าปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราไม่มีการแยกว่าคนรู้กว่าดีกว่าคนโง่กว่าคนไม่มีปัญญากว่าไม่ได้แยกแตอยู่ร่วมกันแต่ว่าพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ตั้งก็คุณต้องมีสมบัติอยู่ร่วมกันว่าคุณมีคุณสมบัติดีก็ต้องมีความเมตตาแต่คุณมีสมบัติไม่ดีคุณก็ต้องมีศรัทธาและมีความเคารพถ้าไม่มีคุณสมบัติสองอย่างนี้ทางฝ่ายผู้น้อยก็ไม่มีคุณสมบัติผู้ใหญ่ก็มีมีคุณสมบัติคนสองคนนี่ก็จะรบกันนะคนที่มีสติปัญญาคุณสมบัติดีกว่าก็คอยเอารัดเอาเปรียบ ข่มเหงคดีงร้ายไอ้คนที่มันไม่มีไอ้คนไม่มีถูกเอาเปรียบถูกเบียดเบียนถูกทําร้ายจิตใจมันก็ต้องต่อสู้เพราะสัญชาติยา น, ม, นมันเท่ากันไม่ว่าคนฉลาดมากฉลาดน้อยคนมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาในแง่ของสรรชาติยานมันเท่ากันซึ่งได้กล่าวบ่อยๆสัญชาติยานของสัตว์เสมอกันหมดมีสอย่าง หนต้องการอาหารใส่ปากใส่ท้องเรื่องปากเลี้ยงท้องไม่ว่าคนจนคนรวยหิวมาถ้าไม่มีไม่มีกินแล้วก็หิวเหมือนกันไม่ใช่คนรวยหิวอย่างหนึ่งคนฉลาดหิวอย่างหนึ่งคนโง่หิวอย่างหนึ่งมันมันมั น, ม, นมันไม่ได้แยกอย่างนั้นสันสัญญาณันจะให้เสมอกันหิวมีอาการเหมือนกันสองก็ถ้เรามีที่อยู่อาศัยคนมีบุญกุศสนถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยก็ทุกเหมือนกัน คนไม่มีกุศลไม่มีที่อยู่อาศัยก็ทุกเท่ากันนะสามกลัวรู้จักกลัวภยัยรู้จักโดยสงจันทร์ยานไม่ว่าคนหรืสัตว์มันก็รู้ว่าอะไรที่เป็นภัยกับมันนะก็รู้จักหลีกเลี่ยงภัยเหมือนกันต่างคนโง่งคนฉลาดกลัวกลัวตายกลัวภัยเหมือนกันนะเวลาอะไรเกิดขึ้นปับ๊บไม่ว่าคนบุญมากคนน้อยก็วิ่งหนีเหมือนกัน เวลาัยมางูมาเงี้ยวมาหรือเสือมาต่างคนก็ต่างวิง่งเพราะสัญชตาตญาณความตัวตามีเหมือนกันเท่ากันอันที่สี่สัญชตาตญาณในการสืบพันธ์มีเท่ากันว่าคนโง่ฉลาดมีตัณหามีราคาเท่ากันมีความอยากในการที่สืบพันธ์สืบ อ, อัตตาของตัวเองไว้เพราะเรารักอัตตาของเราแม้แต่ตายเราก็ไม่ยอม แล้วก็ต่อสู้กับความตายตายแล้วถึงจะต้องตายแต่ก็อยากจะให้มีพืชพันธุ์ต่อไปในชาติต่อป่อต่อไปหรืยังรักอัตตาของเราไม่ได้ตายก็ถึงจะตายก็ขอเกิดใหม่มันทําการสืบพันเอาไว้แล้วจะเห็นว่านี่คือสัญชตาตญาณมันเหมือนกันหมดเราจึงมาปฏิบัติเพื่อเอาชนะสัญชตาตญาณอยู่เหนือนสัญชตาตญาณให้เปลี่ยนเป็นปัญญายาณ ถ้าเราไม่ปฏิบัติเปัญญายาญจะเกิดขึ้นได้ไงเราจะเอาชนะสันชาตยานได้ไงหรืออยู่เหนสันชาตยานไม่ได้หิวแล้วก็ทนไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญายาณหิวแล้วก็ทนได้เรา <c oughs> แก้ไขความหิวได้ไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีปัญญายาณไม่ต้องสร้างบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้ใช้ปัญญาไม่ว่าคนงงคนเฉลา ไม่ภัยเกิดขึ้นเราก็รู้จักแยกว่าภัยไหนใกล้ตัวไกลตั ว, ตวภัยไหนมันทําให้ตายภัยไหนไม่ได้ทําให้ตายภัยไหนมันป้องกันได้ภัยไหนมันป้องกันไม่ได้มันเกิดปัญญาญาณมันก็จะไม่กลัวภยัยแต่คนที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ต้องกลัวอยู่ดีเพราะมัน ม, มีปัญญาเพราะกลัวแบบไม่รู้แบบกระต่ายตื่นตุ้งนะแล้วก็ถ้าเราเสร็ จ, จเจริญสติจเจริญปัญญามากขึ้นสันสัญญาในการสืบพันธุ์ ก็น้อยลงเพราะเราเห็นว่าชีวิตนี้อัตตานี้มันเป็นที่ตั้งของทุกข์เราไม่ต้องการที่จะเกิดอีกไม่ต้องการที่จะสืบพันธุไว้อีกเราก็แก้ไขที่เหตุเราไม่อยากเกิดแต่เราไม่ทําลายเหตุมันต้องเกิดวันยังครับเหตุของการสืบพันธุ์คืออะไรก็คือความอยากมีราคามีตัณหาอยากจะสืบพันเอาไว้เราก็ทําลายความอยากราคาตันหานั้น ความาสัญชตาตญาณในการสืบพันธุ์ก็หมดกนะ็เราทําลายที่เหตุของมันแต่ถ้าเรายังไม่อยากจะเกิดอีกเพราะมันทุกข์มากๆเกิดมาที่ชาติก็ทุกเท่านั้นชาติถ้าไม่อยากเกิดแต่เราก็ไ ม, ม่ศึกษาเพื่อให้รู้จักเหตุไม่รู้จักว่าไอ้สัญชตาตญาณนี้มันเกิดมาได้ยังไม่รู้จักไม่ศึกษาไม่เข้าใจมันก็เกิดราคะตันหาวยังคำํำนะ แต่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติเราก็รู้จักวิธีว่าราคามันเกิดอย่างไรตันหามันเกิดอย่างไรมันก็เอาชนะได้ง่ายๆแต่ถ้าเรา ม, มีไม่มีปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็ไม่สามารถเอาชนะได้วันยัางข้าดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราถึงได้มาปฏิบัติขัดเกลาตัวเองเพื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณร้องปฏิบัติให้เกิดปัญญาญาณให้ได้ถ้าไม่เกิดปัญญายาัญ ไม่สามารถจะเอาชนะสัญชาตญาณเหล่านี้ได้เราก็ต้องเวียนว่ายใจเกิดเป็นสัตว์ทุกประเภทแหะบางชาติเป็นช้างบางชัตงเป็นม้าบางชาติเป็นควายบางชาติเป็นม้าเป็นแมวเป็นกระต่ายเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอะไรต่ออะไรเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยแล้วแต่มันกระจัดกระจายไปตามกรรมขึ้นนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกวนก็อยู่เนี้ยไม่รู้จักจบแล้วเราเป็นสัตว์บางสัตว์ก็ต้องเป็นอาหารให้คนเกิดมาเป็นปูเป็นปลาเป็นเป็ดเป็นไก่ ต้งเวียนค่าเวียนตามาเป็นอาหารให้คนแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติจนเกิดปัญญาญาณเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงไม่จริงเรายอมรับไม่ได้เราแต่ถ้าเกิดปัญญาญาณเราจะรู้ว่ามันมาจริงยิ่งกว่าจริงแต่เรายอมรับไม่ได้เพราะเรายังไม่เกิดปัญญาท่านก็เลยบอกให้เกิดศรัทธาไว้ก่อนก็แล้วกันยังไม่มีปัญญาก็เกิดศรัทธาเชื่อไว้ก่อนดีกว่าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเลยเนี่ยเราจะทำกรรมหนักไปกว่านี้อีกหลายเท่าแต่อย่างน้อยถ้าเราเชื่อเนี่ยกรรมมันก็จะเบาลงมา ใช้หลักของศีลธรรมจริยธรรมใช้หลักของวัฒนธรรมถ้าเราไม่เชื่อเลยเนะี่ยคนก็จะฆ่ากันทําร้ายกันเบียดเบียนกันเป็นผักเป็นปลาไปแล้วก็เกิดมา้งหมดความหมายเพราะไม่มีศรัทธาและปัญญาที่จะดิบเรื่องภัยอันนี้ได้นั่นเองแล้วเขามาบวชปฏิบัติอยู่กับวัดกวาแล้วจะประมาทไม่ได้เพราะถ้าประมาทแล้วไม่ได้แลก ไ, ไ, ไ, ได้รับกรรมหลายเท่ากวชาวบ้าน เราจะต้องขี้เขียนไม่ได้ตื่นดึกลูกเช้าไม่นอนกลางวันเราพยายามรักษาศิ่งทั้งภายนอกภายในรักษาสิ่ภายนอกคือรักษาที่อยู่อาศัยผ้าผ่อนท่อนสบายอย่าให้เปียกอย่าให้เหม็นอย่าให้อับนะต้องรักษาความสะอาดเรารักษาสิ่แวดล้อมรอบๆตัวเราล้างบาตรล้างถ้วยล้างชามขยะทั้งขยะอยู่ไหนก็ทิ้ง มาหลายครั้งก็ไปเคลียหลังสุม่ม เ, เอาเอาเศษอาหารไปทิ้งที่นั่นก็เลยว่าท้องบอกกันหลายๆครั้งนะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลศีลภายนอกก็มีถุงใส่ขยะให้แล้วมีที่ทิ้งขยะให้แล้วก็ยังไปทิ้งเรืองอาหารมันก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อไม่ดีทําให้หมามาอยู่วัดทําให้เมียมาอยู่วัดเพราะทิ้งอาหารไว่เป็นที่พวกหมาพวกเมียพวกเปรตไม่อาศัยวัด เพราะนี้เกิดเป็นเปรตเมื่อก่อนอาศัยอยู่วัดแล้วไม่ทําคุณงามความดีก็เกิดมาเป็นหมาเป็นแมวเป็นแมวประจำวัดนี่แหละนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเปรตเหล่านี้อยู่ได้เราก็ต้องเก็บอาหารเศษอาหารน้ําล้างบาตรล้างถ้วยแดงกันเข้าที่เข้าทางพวกหมาแมวก็จะไม่มาเกิดเพราะอาศัยความมั่ง่ายของเราเปรตี่มาอยู่กับเราะแต่ถ้าเราเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน เปรตก็ไม่มารบ ก, กวนแล้วก็สัตว์เล็กสกน้อยพวกมดพวกแมงพวกอะไรก็จะไม่รบ ก, กวนเราในกุฏิที่อยู่ข้างเราอะถ้ามันได้กินอาหารได้กินของกินของใช้แล้วมันมาแล้วพวกมดพวกแมงเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องฉลาดในการรักษาศีลทั้งภายนอกภายในนะ่ะดังนั้นในช่วงเช้าเนี่ยก็จะคุยกันเท่านี้เพราะว่าเวลาสำคัญ ก็ขอให้นักปฏิบัติของเราทุกคนนําไปพิิจพิจารณาใช้เหมือนเราจะบริโภคผลไม้ที่ดีมีเปลือกน้ํามีน้ําแหลมต้องรู้จักใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งแหลมคมแล้วเราจะกินจะใช้เราต้องพินิจพิจารณาพินิจพิจาราด้วยปัญญาของตัวเองไม่ได้ก็ถามครูบาอาจารย์ถามท่านผู้รู้ก็ค อ, อนมรรคษาให้เอาไปศึกษา ด้กันทุกคนดูท่านเือ